hon. 233. โรมเรื่องที่มีใน 義swra Hydádaka blond Rahada cookadu кадa,Miwad99 hatodung phd io glaw krumwra ch mudak pued murはは beil je dock ka krumwra chва llew gedu f الشai apad allied tu dag儲 breweres n whitewi ru tradadu io Penny wr equipo penj kamwra�� chaudio ی lady r s fairIGil ap Saturday di r g représent пред surprising เพราะเหตุที่ยังมีชีวิตเหตุที่ยังมีชีวิต 7 ปีจนหาย เรื่องพระราชทานตำแหน่งหมอชีวกเป็นแพทย์หลวงประจำพระเรื่องรักษาเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ผู้ป่วย เรื่องทรงพระวรกายของพระผู้มีพระภาคซึ่งหมอบหมมด้วยสิ่งเร 30 ครั้งโดยอบก้านอุบล 3 ก้านด้วยยาเรื่องหมอชีวกกราบ เรื่องชีวรเกิดขึ้นมากในกรุงราชคฤห์เรื่องทรง เรื่องสงห้ามย้ายเจ้าหน้าที่เรือนคลังเรื่องจีวรเกิดขึ้นมากเรื่องส่งเสียงดังขณะแจก เรื่องยกหม้อน้ำยอมลงเรื่องไม่มีภาชนะสำหรับย้อมเรื่องขยำเรื่องตากจีวรบนพื้น เรื่องตัดจีวอนตามแบบคันนาตัดจีวรตามแบบครรนาเรื่องทอพระเนตรเห็นภิกษุแปลคอจีวร กมกปัฏฐ์คีฬานภัตคีฬานุปัฏฐกปัฏฐ์เภสัชทุวะยาภูและถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีสงฆ์เรื่องภิกษุนอนหลับขาดสติสัมปชัญญะเพราะฉันโภชนะอันปราณีตเรื่องผ้า เรื่องอธิษฐานเรื่องจีวรเรื่องได้หลุดลุยขนาดเรื่องผ้าไม่พอไรจึงต้องวิกรรมเรื่อง เรื่องภิกษุอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาลเรื่อง 3 รูปจำพรรษาในกรุงราชคฤห์ 2 แห่งเรื่องภิกษุอาพาธเป็น เรื่องภิกษุปลอกายเรื่องภิกษุนุ่งผ้าขากรองผ้าเปลือกไม้ผ้าผลไม้ผ้าทอผ้าทอด้วยขนสัตว์ผ้าทอด้วยปีกนกเขาหนังเสือเรื่องภิกษุ ห่มจีวรสีแสดห่มจีวรสีชมพูห่มจีวรไม่ตัดชายห่มจีวรชายยาวห่มจีวรมีชายลายดอก เรื่องการถือเร 8 ข้อจีวรจบ 9 234 กัสสปโคตะภิกขุวัตถุว่าด้วยพระกัสสปโคตรเรื่องพระกัสสปโคตรผู้ ภิกษุชื่อกสปโคตรอยู่ประจําในอาวาสในที่นั้นฝากฝ่ายกังวลอยู่ขน ภิกษุกสปโคทได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินมาแต่ไกลจึงปูอาสนะตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระบึงเช็ดเท้าลุกไปรับ ได้จัดแจงน้ำสรงแม้เข้าต้มของเขี้ยวพระทหารก็จัดแจงให้เอาเถอะพวกเราพักอยู่ในวาสภคามนี้แหละภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นได้พักอยู่ใน เวลานี้ภิกษุอคันตุกะเหล่านี้ที่ไม่ชํานาญทางโคจรก็ชํานาญแล้วการทําความจัดแจงในตระกูลคนอื่นจนตลอดชีวิตทําได้ยากอนึ่งการออกปากขอที่ชอบใจของคนทั้งหลายยากกระนั้นเลยเราไม่พึงจัดแจงข้าวต้มของเขือพทาหารแล้วเลิก ท่านทั้งหลายทั้งหลายเมื่อก่อนนี้ภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาสรูปนี้จัดแจงน้ํา ที่อยู่ประจําในแอวาดรูปนี้ออกไปครั้งนั้นภิกษุอคันตุคะเหล่านั้น ก็ครั้งนั้นมีอาบัติที่พึงเห็นครั้งนั้นพวกภิกษุอคันตุกะได้ลงอุเขปนิยกรรมภิกษุกัสสปโคตร ด้วยกรรมที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องควรแก่เหตุหรือไม่ควรแก่เหตุชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง นั่งพุทธประเพณีการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงประทับกับภิกษุอคันถกะทั้ง ภิกษุกัสสปะโคตรกราบทูลว่ายังสบายดีพระพุทธเจ้าค่ะยังพอเป็นอยู่ และภิกษุผู้มีศีลดีงามที่มาแล้ว ต้อนรับด้วยน้ําดื่มจัดแจงน้ําสรงแม้ข้าวต้มของเขี้ยวภัตตาหารก็จัดแจงให้พระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นภิกษุอคันตุกะ ภิกษุอคันถกะเหล่านั้นได้พักอยู่ในวาสภคามนั้นเองพระพุทธเจ้าค่ะต่อมาพระองค์ได้มีความนี้ว่าภิกษุอคันถกะเหล่านี้ การออกปากขอย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของคน เวลานี้ภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาสรูปนี้ไม่จัดแจงข้าวต้มของเขี้ยวพทหารแล้วท่าน เมื่อก่อนท่านจัดแจงน้ำสรงแม้ข้าวต้มของเขียวพทหารก็จัดแจงให้เวลานี้ไม่จัดแจงข้าว ข้าเราไม่รู้เรื่องนี้ว่าองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่า เกี่ยวกับเรื่องภิกษุนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็นอาบัติหามิ เธอจงไปอยู่ในวาสภคามนั่นแหละภิกษุกสปโคท พวกเราได้ไม่ดีแล้วหนอที่ลงอุเขปนิยกรรมภิกษุผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่ต้อง ก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ พวกเธอเดินทางไกลมาไม่ลำบากหรือพวกเธอมาจากที่ไหนเดินทางไกลมาไม่ลำบากหรือพวกเธอมาจากที่ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอลงอุเขปนิยกรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของ มิได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่ควรเพราะเหตุไม่ คมอุทราทรงเฉียงบ่าข้างหนึ่งศพศีรษะลงแท่นพระบาทของพระ เพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัส ข้อนั้นเรายอมรับภิกษุ 235 ธรรมวคาธิกรรมกถาว่าด้วยกรรมที่แบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมเป็นต้นเรื่องภิกษุ ทำกรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปภิกษุรูปเดียวลงอุเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวบ้างภิกษุรูปเดียวลงอุเขปนิยกรรมภิกษุ 2 รูปบ้างภิกษุรูปเดียวลงอุเขปนิยกรรมภิกษุหลายรูปบ้างภิกษุรูปเดียว ภิกษุ 2 รูปลงอุเขปนิยกรรมภิกษุหลาย 2 รูปลงอุเขปนิยกรรมสงฆ์บ้าง 2 รูปบ้างภิกษุหลายรูปลงอุเขปนิยกรรม บรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงตำหนิประณามโพนทนาว่าไฉนพวกภิกษุ พวกภิกษุในกรุงจำปาทำกรรมเช่นนี้คือทำ ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายถ้าเป็นกรรมที่แบ่งพวกโดยไม่ <mouth> ภิกษุรูปเดียวลงอุเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวไม่จัด 2 รูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุรูปเดียวลง ภิกษุ 2 รูปลงอุเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวไม่จัดเป็นกรรมไม่ควรธรรม 2 รูปลงอุเขปนิยกรรมภิกษุ 2 รูปไม่จัดเป็นกรรม 2 รูปลงอุเขปนิยกรรมภิกษุ 2 รูปลงอุเขปนิยกรรม ลงอุเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวไม่จัดเป็น 2 ไม่จัดเป็นกรรม 1 กรรมแบ่งพวก 2 กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบ 3 กรรมแบ่งพวกโดย 4 กรรมพร้อมเพรียงกัน ธรรมมะรณมะ spe ขทรงรมะปดงรมะรธรรมนรมะฤรมะโสห์ไม่ซทงรมะก็ยนรมขตงรมะโต 5งรมะ โraz มะโทเวครโปครมะฤรมะฤรมะ โตh รมะ เ어야 โท 5 เวสอาท5งรมะโต ไม่ภิกษุทั้งหลายกรรมเช่นนี้ไม่ควรทำเหตุภิกษุทั้งหลายไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายกรรมเช่น กรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรมนี้ชื่อว่าถูกต้องควรแก่เหตุเพราะชอบธรรมเพราะพร้อมเพรียงกันภิกษุทั้ง ว่าด้วยกรรมที่ยัตติวิบัติเป็นต้นสมัยนั้นพวก ยัตติสมบูรณ์บ้างทำกรรมบ้างทำกรรมเว้นจากธรรมบ้างทำกรรมเว้น คือทำกรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรม ทำกรรมเว้นจากวินัยบ้างทำกรรมเว้นจากสาธุชาติบ้างทำกรรมที่ถูกค้านแล้วและขืนธรรม คือแบ่งพวกทํากรรมโดยไม่ว่า เรื่องแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ <in> <necessary> ถ้าเป็นกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำถ้าเป็นกรรมยัตติวิบัติแต่อนุสวนาสมบูรณ์ กรรมที่เว้นจากวินัยไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรธรรมกรรมที่เว้นจาก วะปะกรรม 3. กำพร้อมเพียงกันสมะปะกรรม 4. กำแบงพวกโดยธรรมพรษรรูปธรรมพรติรุปวะปะกรรม 5. กำพร้อมเพียงกันโดยธรรมพรษรรูปธรรรมพรดติรุปปะสมะปะกรรม 6. กำพร้อมเพียงกันโดยชอบทำ ธรรมพรOC สมะคะกรรม กรรมไม่ชอบทําอะไรบ้างเธอภิกษุทั้งหลายนยัตติทุติยกรรมถ้าทํากรรมด้วยยัตติ 1 ครั้งไม่สวดกัมมวาจาชื่อว่ากรรมไม่ชอบทําภิกษุทั้งหลาย <el> แต่ไม่ตั้งยัตติชื่อ まあ, 2 ครั้งแต่ไม่ตั้งยัตติชื่อว่า 1 ครั้งแต่ไม่สวดกามวาจาชื่อว่า ถ้าครั้งแต่ไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายนยัตติจตุตกรรมถ้าทำกรรมด้วย นยติจตุตกรรมถ้าทำกรรม ภิกษุทั้งหลายนยัตติ ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้มาฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะก็ไม่ได้นํามาภิกษุที่อยู่พร้อมหน้าก็คัด ภิกษุทั้งหลายนยัตติทุติยกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่า ฉันทาของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทาก็ยังไม่ได้ นยติจตุตถกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาฉันถ้าของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทาก็นํามาแล้วแต่แล้วคัดค้านชื่อว่ากรรมที่พวกภิกษุทั้งหลายนี้เรียกพวกอธิบายกรรม คือภิกษุทั้งหลายทุติยกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวนไว้เท่า ฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะได้ ตังยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุ แต่ฉันทาของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะไม่ได้นํา ชื่อว่ากรรมที่แบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปภิกษุทั้งหลายนยัตติ นยติจตุตถกัมถ้าสวกัมมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวน ภิกษุผู้เข้ากรรมกำหนดจำนวนไว้เท่าใดภิกษุ ข้อกรรมที่พร้อมเพรียงคือภิกษุทั้งหลายนยติทุติยกรรมถ้าสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดแก่ฉันทาแล้วภิกษุที่อยู่พร้อมหน้ากัน ภิกษุทั้งหลายนยัตติจตุตถกัมถ้าสวดกัมวาจาก่อนตั้งยัตติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาแล้วฉันทาของภิกษุผู้ควร อธิบายกรรมที่คือภิกษุทั้งหลายในยัตติทุติยกรรมถ้าตั้งยัตติก่อน ภิกษi t sao ชื่อว่ากําพร้อมเพียงกัน โดยชอบถfun ภิกษi thangal hold ในยัติจัดฒุตรกรมถ้าตั้งยัติก่อนทำกลรมเด้ยกกไม่วาจ่าสามครั้งภายหลัง ภิกษiผู้เข้ากRIM geho ag sortir กรรมพร้อมเพลียงกันโดยชอบธรรมพร้อมเพรียงกัน